รู้สึกผิดและการให้อภัยสองสามปีที่แล้วมีหญิงสาวชาวออสเตรเลียนคนหนึ่งมาพบอาตมาที่วัดในเมืองเพริรพระนักจะได้รับเกียรติให้เป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆของคารวาสเสมอคงจะเป็นเพราะพวกเราราคาไม่แพง พวกเราไม่เคยคิดเงินค่าปรึกษาเลยนิหญิงคนนั้นกำลังทนทุกข์ทรมานจากความรู้สึกผิดเมื่อหกเดือนที่แล้วเธอทำงานอยู่ในชุมชนเมืองแรกซึ่งอยู่ห่างไกลไปทางตอนเหนือของออสเตรเลียตอตกงานหนะักเงินดีแต่แสนจะเงียบเหงาในช่วงนอกเวลาทำการดังนั้นในตอนบ่ายของวันอาทิตย์หนึ่ง เธอจึงชวนเพื่อนรักของเธอและแฟนหนุ่มของเพื่อนให้ออกไปขับรถเที่ยวในป่ากันทั้งเพื่อนรักของเธอและแฟนหนุ่มนั้นไม่มีใครอยากจะไปเลยแต่การจะไปคนเดียวย่อมไม่สนุกแน่เธอจึงพยายามทุกวิธีทางชักแม่น้านทั้งห้าใช้ทั้งลูกล่อลูกชนจนเพื่อนทั้งสองยอมแพ้และจำใจต้องออกไปขับรถเล่นในป่ากับเธอ และแล้วอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นรถยนต์พลิกคว่มบนถนนลูกรังเพื่อนรักของเธอเสียชีวิตส่วนเพื่อนหนุ่มนั้นพี่การเป็นอำมาภาพเธอเป็นผู้ต้นคิดและดึงดันที่จะไปกลับไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆเลยเธอเล่าเรื่องให้อาตมาฟังด้วยดวงตาที่มีแววของความโศกสลดรรันทดใจ ถ้าเพียงแค่ดิฉันจะไม่บีบังคับให้พวกเขาไปกับดิฉันเพื่อนรักของดิฉันก็จะยังคงมีชีวิตอยู่และเขาก็คงจะไม่พิการดิฉันไม่น่าจะบีบังคับให้เขาไปเลยดิฉันรู้สึกแย่มากๆรู้สึกผิดจริงๆความคิดแรกที่แวบเข้ามาในหัวของอาตมาคือจะต้องปลอบให้เธออุ่นใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเธอ เธอไม่ได้คาดการว่าจะเกิดอุบัติเหตุสักหน่อยเธอไม่มีเจตนาใดๆที่จะทำร้ายเพื่อนของเธอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาจงปล่อยวางเสียไม่ต้องรู้สึกผิดเพลาหากความคิดแวบต่อมาของอาตมาก็คือเชื่อแน่ว่าเธอคงเคยได้ฟังประโยคนี้มานับเป็นร้อยๆครั้งแล้วและเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้ผ อาตามาจึงหยุดนิ่งและพิจารณาสถานการณ์ของเธอให้ลึกขึ้นแล้วจึงบอกเธอว่าที่เธอรู้สึกผิดนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วสีหน้าของเธอเปลี่ยนจากโศกเศร้าเป็นประหลาดใจและจากความประหลาดใจกลายเป็นความโล่งใจเธอไม่เคยได้ยินใครพูดเช่นนี้มาก่อนว่าเธอสมควรจะรู้สึกผิด อาตมาตเดาได้ถูกทางเธอกําลังรู้สึกผิดเกี่ยวกับความรู้สึกผิดเธอรู้สึกผิดแต่คนรอบๆตัวทุกคนบอกเธอว่าเธอไม่ต้องรู้สึกเช่นนั้นเธอจึงรู้สึกผิดยกกําลังสองคือรู้สึกผิดเรื่องอุบัติเหตุและรู้สึกผิดที่ความรู้สึกผิดนั้นประทับอยู่ในใจ จิตใจมนุษย์ก็ซับซ้อนสับสนเช่นี่แหละเพียงแค่เราเข้าไปจัดการกับเจ้าความรู้สึกผิดชั้นแรกโดยยอมรับว่ามันเป็นการสมควรแล้วที่เธอจะรู้สึกผิดเราจะสามารถดาเนินการขั้นตอนต่อไปเพื่อจะแก้ไขปัญหาของเธอได้เราจะจัดการอย่างไรดี ในพุทธศาสนามีภาษิต ท, ที่เป็นประโยชน์ในเรื่องนี้จงจุดเทียนไขเพื่อให้ได้แสงสว่างแทนการบนคร่ำครวญว่ามันมืดย่อมมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราจะสามารถทำได้อย่างแน่นอนแทนที่จะมัวแต่ว้าวุ่นไม่สบายใจแม้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นจะเป็นเพียงการนั่งนิ่ง อย่างสงบสักครู่โดยไม่มีการกล่ำครวนบ่นว่าใดๆความรู้สึกผิดนั้นแตกต่างเป็นอย่างมากจากความรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ผิดพลาดไปในสังคมเราความรู้สึกผิดคล้ายกับคำตัดสินของผู้พิพากษาที่ได้ทุบคอนดังโป๊กลงบนไม้แข็งๆในศาลแล้วแม้จะไม่มีใครลงโทษเรา แต่เราก็หาทางลงโทษตัวเองไม่ทางใดก็ทางหนึ่งความรู้สึกผิดหมายถึงการถูกลงโทษอย่างรุนแรงลึกลงไปในจิตวิญญาณทีเดียวดังนั้นหญิงสาวคนนี้ย่อมต้องการข้อวัดปฏิบัติเพื่อจะล้างความผิดเธอจึงจะสามารถปล่อยวางความรู้สึกผิดนั้นได้การที่จะบอกเธอว่าลืมมันซะเถอะและจงดาเนินชีวิตต่อไป ย่อมไม่ได้ผลแน่นอนอาตมาจึงแนะนำให้เธอไปเป็นอาสาสมัครทำงานในแผนผู้ป่วยพักฟื้นในโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านรณิบัติดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์อาตมาคิดว่าการทำงานหนักที่นั่นจะช่วยละลายความรู้สึกผิดของเธอได้นอกจากนั้น สิ่งที่เคยเกิดขึ้นเสมอๆในงานอาสาสมัครก็คือตัวอาสาสมัครเองจะได้รับการเยียวยาช่วยเหลือเป็นอย่างมากจากบุคคลที่เธอตั้งใจจะเข้าไปช่วยนั่นเอง